ในเช้าวันนี้ก็ขอให้พระภิสุสงฆ์สามเณรแม่นนมชีอุบาสกอุบาสิกาชงตั้งจิตตั้งใจทำหน้าที่ให้แก่ตนเองชงตั้งจิตตั้งใจทั้งมั่นในความเพียร ในการประพฤติปฏิบัติจงตั้งจิตตั้งใจทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าคนเราไม่มีปัญญาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับตัวเราเองได้อย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้พูดไปในเช้าเมื่อวานคือตัวปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารสังขารในที่นี้ก็คือร่างกายเราคือชีวิตของเรา สังขารที่เรายืมเข้ามาใช้วันหนึ่งวันใดสังขาร น, นี้ก็จะเสื่อมสลายไปในที่สุดเพราะฉนั้นเราอย่ามัวยึดติดกับสังขารเน่าๆของเราอยู่เลยเราอย่าไปยึดติดกับกายเน่าๆของเราอยู่เลยให้เราคิดให้เราพิจารณา าในขณะนี้เนี่ยใจของเรากำลังคิดอะไรใจของเรากำลังทำอะไรความรอบรู้ในกองสังขารเราก็ต้องทำความเข้าใจให้รู้ความเป็นไปโดยธรรมชาติว่ากายเน่าๆของเรานี้ ที่เราหวงนักหวงหนาที่เรารักมันนักรักมันหนาคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยประครับประคองมันอยู่ทุกวันเราได้อะไรกับมันบ้างแล้วเราลองคิดเราลองพิจารณาว่าไอ้กายเน่าๆของเรานี้เราทำมาทั้งชีวิต เราดิ้นรนมาทั้งชีวิตเราได้ให้อะไรกับบัณฑ์บังเราให้สิ่งที่ดีกับกายเราหรื อ, อยังกายเราได้ซ้าสิ่งที่ดีให้กับตัวเองหรื อ, อยังความเป็นไปในสังขารสังขารคือกองทุกกองใหญ่ทีเดียวเรามักจะรู้สึก เรามักจะเข้าใจในสภาวะที่จมอยู่ในกองทุกข์เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆมักจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเรากำลังตกอยู่ในกองทุกข์แต่เราไม่ได้เข้าใจเราไม่รู้ว่ากองทุกข์กองนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกองทุกกองนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรที่ทำให้กองทุกกองนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาทำให้กองทุกกองนี้เจริญเติบโตขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว ในขณะเดียวกันบางครั้งเราอาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้แต่เราก็พยายามจะให้กองทุกกลองนี้เนี่ยมีมู ล, ลค่ามากขึ้นเราก็พยายามสั่งสมให้มันมากขึ้นสั่งสมไปเรื่อยๆมันก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะ ชำระกองทุกกองนี้ได้อย่างไรเราจะจัดการกับกองทุกกองนี้ได้อย่างไรทุกก็เกิดมาจากความคิดความปรุงแต่งที่อย่างเคยได้พูดเคยได้บอกมาไอ้ความคิดที่จิตมันคอยปรุงแต่งจิตมันคอยขัดเกา จิตม sure, ันคอยรู้จิตมันคอยตามอยู่ทุกขณะเนี่ยบางครั้งก็รู้จริงบางครั้งก็รู้ไม่จริงไอ้จิตเราเนี่ยบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจไอ้จิตของเราเนี่ยบางครั้งเราก็มีความต้องการบางครั้งก็ไม่ต้องการ เราลองพิจารณาทำไมจิตของเรามันถึงเป็นอย่างนี้บางครั้งจิตรู้สึกหงุดหงิดจิตรู้สึกเบื่อรู้สึกลำคานมันก็จะปรุงแต่งมันก็ตกแต่งให้มีสีสันมันก็คิดว่าสิ่งนี้ที่เราคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแล้ว เป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วในทุกขณะจิตที่มันเกิดความคิดในทุกขณะจิตที่มันคอยปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราคิดไม่ได้เมื่อเรานึกไม่ออกเนี่ยมันก็จะไปเก็บไว้ในกองทุกข์ที่มันถมอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราไม่มีรูร่วเนี่ย เราเก็บยังไงมันก็ออกไปไม่หมดเราก็จะชำละกองทุกกองนี้เนี่ยไม่ได้ลองคิดว่าใจเราเนี่ยเปียบเสมือนภาชนะที่มีรูรั่วต้องเปียบเสมือนตะกร้าที่มีรูรั่วเราจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะหายไปเราใส่มากเท่าไหร่มันก็จะหายไป จะไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในตะกร้าไปนั้นแต่ถ้าภาชนะที่ไม่มีรูรั่วเลยเรายิ่งใส่มันก็ยิ่งเต็มยิ่งใส่มันก็ยิ่งล้นซึ่งมันจะทำให้เราจมอยู่ในสภาวะกองทุกข์อย่างที่บอกเพราะนั้นปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารเรารู้ดีแค่ไหนเราเข้าใจแค่ไหน ว่าไอ้กายเน่าๆของเราที่เราหลงนักหลงหนานเนี่ยเราลำบากเราเหนื่อยยากมาทั้งชีวิตเราให้อะไรกับมันบ้างเราให้แต่ความโลภเราให้แต่ความโกรธเราให้แต่ความหลงกับมัน ทำไมสิ่งดีๆที่ ม, มีมีค่ามากกว่าสิ่งนี้เนี่ยทำไมเราถึงให้กับกายเราไม่ได้ทำไมเราถึงให้กับใจของเราไม่ได้แต่เราก็ยังคิดเราก็ยังนึกไม่ได้ในบางครั้งเราก็พยายามยัดเยียดความโลภให้กับกายเราเรามีเท่านี้เราก็ยังไม่พอ เรามีเท่านั้นเราก็ยังไม่พอยังหลงกายตัวเองอยู่คิดว่ากายนี้มันเป็นของเรายังหลงในความคิดของตัวเองอยู่หลงในความรู้สึกของตัวเองอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายความหลงเป็นสิ่งที่ <c oughs> ทำให้การประพฤติปฏิบัติเนี่ย ไปไม่ถึงไหนเพราะเรามวลหลงอยู่หลงยึดติดในสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายและใจของเรามันก็จะทำให้เราไปไหนได้ไม่ไกลเมื่อเรายัางยึดติดกับความหลงอยู่เพราะนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีๆเราอย่าปล่อยความโลภคือความหลงมันเกิดขึ้นในใจ เราอย่าปล่อยให้ความโกรธคือความหลงมันเกิดขึ้นในใจแล้วเราลองคิดเราลองพิจารณาถ้าสิ่งนี้เนี่ยเราพยายามยัดเยียดให้กับใจเราเนี่ยสุดท้ายใจเราก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายใจเราก็จะไม่มีที่ว่างพอที่จะยัดเยียดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเข้าไป เมื่อเรายัดเยียดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเข้าไปอยู่ในจิตในใจเราไม่ได้จิตใจของเราก็จะมีแต่ความต่าช้ามีแต่ความชั่วช้ามีแต่ความคิดที่เป็นอัปมงคลไม่คิดในเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่คิดไม่นึกถึงชีวิตของเราว่าเราจะดำเนินไปยังไง ความรอบรู้ในกองสังขารสังขารของเรานี้เราลองคิดดูเราให้อะไรกับมันได้บ้างหัวเราก็ให้อะไรกับมันไม่ได้เลยเรายิ่งดูแลเรายิ่งรักษามันสุดท้ายมันก็ต้องหลอกไปอยู่ดีสุดท้ายผมนั้นก็ต้องหลุดต้องล่วงไปอยู่ดีเราพยายามจะ รักษาเราพยายามจะดูแลแล้วมันได้อะไรจากเราบ้างสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายก็ได้มาโกนหัวเป็นผ้าสุดท้ายก็ได้มาโกนหัวเป็นฉีแล้วเราคิดดูว่าเราให้อะไรกับมันได้บ้างหูของเราก็เช่นเดียวกันเราลองพิจารณาว่าเราให้อะไรกับมันบ้าง ที่เป็นประโยชน์ให้กับหูเรามีแ ต, ต่ต่างหูคู่นั้นต่างหูคู่นี้ที่ยวาพยายามเอาเข้าไปประดับออกไปตกแต่งมันแถมยังไปทำลายหูตัวเองเอกไปเจาะหูตัวเองไปทิ่มไปแทงให้มันเจ็บแต่เราก็ยอมเพราะเรามีความต้องการ ที่จะให้หูเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราลองคิดดูเราให้อะไรกับมันบ้างอไอหูของเราเนี่ยตาก็เช่นเดียวกันเราก็ลองพิจารณาว่าตาเราเนี่ยเมื่อเราเกิดมาลืมตาขึ้นมาดูโลกไปนี้เนี่ยเราสามารถมองเห็นเราสามารถรับรู้ในสิ่งที่เราได้เห็นในสิ่งที่เราได้สัมผัสได้ ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตมามากต่อ น, นักแล้วเจอทั้งสิ่งที่ดีเจอทั้งสิ่งไม่ดีมองแล้วมีความถูกใจและความไม่ถูกใจมองแล้วมีความรู้สึกขัดใจมองแล้วมีความรู้สึกไม่พอใจแล้วเอตตาของเราเนี่ยเราให้อะไรกับมันไปบ้าง เราก็ไม่ได้ให้อะไรกับมันไปเลยสุดท้ายตาเราก็ต้องเสื่อมไปอยู่ดีในที่สุดสายตาของเราอาจจะสั้นบ้างสายตาของเราอาจจะยาวบ้างสุดท้ายก็มีเพียงเว่นอันเดียวที่ต้องเอามาประคองสายตาตัวเองเอาไว้เพื่อให้ตามันมองเห็นไม่ให้ตามันมืดหมวไม่ให้ตามันมืดปอด เหมือนเรากําลังหน้ามืดตามัวอยู่เมื่อคนหน้ามืดตามัวเนี่ยมักจะมองอะไรไม่เห็นตามันฝ้าฟางบ้างมันได้อะไรบ้างจากเราได้เป็นต้อกระจกบ้างเยื่อในตาอักเสบบ้างถ้าเราลองพิจารณาดูว่าไยของทุกขในสังขารเนี่ยมันมากมายขนาดไหนเราก็ไม่ได้พิจารณา สุดท้ายตาเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เพราะว่าเราพยายามยับเยียดสิ่งที่ไม่ดีให้กับตาของเราโฉมก็เช่นเดียวกันสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเราพยายามบำเพ็ญเพียรพยายามระลึกถึงภาพภายออกมาเป็นอารมณ์อยู่ทุกขณะ ไม่ได้หายใจทิ้งไปวันวันหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้กับตัวเองโดยที่เราไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับตัวเราเองเลยแต่ในขณะนี้เนี่ยเราพยายามระลึกถึงพระพายมาเป็นอารมอยู่หายใจเข้าเราก็ต้องรู้ว่าต้องกำหนดอย่างไรหายใจออกเราก็ต้องรู้ว่าเราควรกำหนดอย่างไง ให้ระลึกลมหายใจเข้าออกอยู่ทุกขณะนี่คือสิ่งเดียวที่สามารถให้กับจมูกของเราได้แล้วสิ่งอื่นที่เราให้กับจมูกของเราล่ะสุดท้ายก็ต้องเป็นไสนัดสุดท้ายก็ต้องเป็นภูมิแพ้สุดท้ายก็เยื่อในโพรงจมูกอักเสบ สุดท้ายเนี่ยกก็ไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันมันก็เป็นกองทุกกองหนึ่งเช่นเดียวกันที่มันอยู่ในกายของเราแล้วปากของเราล่ะมันได้อะไรบางบางครั้งเนี่ยปากทาหน้าที่ในการพูดแล้วเราจะพูดอย่างไรให้กองทุกนั้นไม่เกิดขึ้นกับกายของเรา เราพูดดีเชื่อว่าสิ่งดีก็ต้องเกิดขึ้นถ้าเราพูดในสิ่งไม่ดีเนี่ยสิ่งไม่ดีก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนปากเราทำงานทําหน้าที่ทั้งวันบางครั้งไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้พักเลยปากนี่เป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่มากกว่าหูมากกว่าตามากกว่าจมูกมากกว่าลิ้น ปากนี้เขพยายามเปิดอยู่ทุกวันเราปิดปากตัวเองไม่ได้เราก็พยายามเพ่งเราพยายามดูให้ดีๆสุดท้ายปากก็ไม่ได้อะไรเราพูดมากไปเราก็เหนื่อยปากเราพูดมากไปมันก็เมื่อยปากแต่เราก็ยังต้องการต้องการที่จะสังสมกองทุกไว้ที่กายเหล่านี้เนี่ยให้มันมากขึ้น ให้มันเพิ่มขึ้นเรารู้ว่าพูดไปเนี่ยมันก็ทําให้เราทุกข์แต่เราก็อยากจะพูดเรารู้ว่าเราบ่นไปมันก็ทําให้เราทุกข์แต่มันก็อยากจะบน่นมันเรารู้ว่าเราด่าไปเนี่ยทาให้เราเล่าร้อนทําให้เราทุกข์แต่เราก็อยากจะดา่าเรารู้ว่าเรานินทาคนนั้นเรานินาทาคนนี้เนี่ยทาให้เราทุกข์ แต่เราก็อยากนินทาปากเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างน่ากลัวทำหน้าที่อย่างโหดล้ายมากในร่างกายในสังขารของเรามันสามารถเขนฆ่าประหัตประหารชีวิตเราให้ตายเราตอนไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ไอ้ปากนี้มันสำคัญ น, นักก็ลองพิจารณาไปเฉพาะทุกในกองสังขารเนี่ยที่พูดมาเนี่ย ก็มากมายมหาศาลแล้วถึงบอกว่าสังขารคือกองทุกทุกในกองสังขานี้เราต้องพิจารณาให้ดีๆเราต้องทำความเข้าใจให้ดีๆเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่เราควรจะรู้ได้เนี่ยคืออะไรกองสังขารกองนี้ เป็นกองใหญ่ที่เราสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราจะจัดการกับกองทุกกองนี้ได้อย่างไรเพราะนั้นเราต้องมีสติปัญญาคนที่โง่เขาเบาปัญญาเนี่ยก็จะคิดไม่ได้ก็จะนึกไม่ออกบางครั้งเราคิดว่าเราเป็นคนเก่ง บางครั้งเราคิดว่าเราเป็นคนรู้บางครั้งเราก็คิดว่าเราเป็นคนฉลาดแต่ความคิดเหล่านี้เนี่ยเราคิดเพื่อทำลายตัวเองคิดเพื่อทำลายตัวเองโดยที่เราไม่รู้จุดหมายปลายเหตุโดยเราไม่รู้เหตุ <c oughs> และปัจจัยที่กำลังเกิดขึ้นภายในกายและใจของเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความคิดที่มันปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างมันคอยประคับประคองใจของเราอยู่จะให้ใจเราคิดชั่วก็ได้จะให้ใจเราคิดดีก็ได้ให้ใจเราทำดีก็ได้ให้ใจเราทำชั่วก็ได้ไอความคิดที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะอารมณ์ของเราเองไง มันสามารถทำลายเราได้เมื่อใดเราก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องเข้าใจความเป็นไปในกองสังขารของเราเขนของเราทั้งสองข้างก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในสภาวะทุกข์บางครั้งเราทำงานทั้งวันเราหยิบสิ่งนั้นเราหยิบสิ่งนี้เรายกสิ่งนั้นเรายกสิ่งนี้ เราจับสิ่งนู้นเราจับสิ่งนี้แขนของเราทั้งสองข้างมือของเราทั้งสองข้างเนี่ยเราก็หยิบจับอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายเจลูที่เราจะหยิบอะไรอยู่ที่เราจะจับอะไรถ้าเราเอามือของเราทั้งสองข้างเนี่ยไปจับไฟเนี่ยมันก็ต้องมีความร้อนเป็นธรรมดาเพราะมันคือไฟเราจับยังไงก็ ร้อนอย่างแน่นอนก็จะทําให้เราเนี่ยตกอยู่ในสภาวะทุกข์แล้วถ้าเราไปจับน้ําเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วน้ํามันเย็นจับยังไงมันก็เย็นมั่นมือเราทั้งสองข้างแขนเราทั้งสองข้างเนี่ยอยู่ที่เราจะหยิบอยู่ที่เราจะจับว่าวันนี้เราจะจับอะไรวันนี้เราจะหยิบอะไร หรือว่าวันนี้เราจะไปเก็บไฟเราจะไปหยิบไฟเพื่อให้กายกับตัวเองหรือเราจะไปหยิบน้ําเราจะไปจับน้ําเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะไปหยิบจับอะไรที่ให้มันเป็นบุญเป็นกุศลให้กับตัวเราเองในขณะที่เราเข้ามาประพฤติปฏิบัติบางครั้งเราไปจับสิ่งที่ผิดมันก็เกิดกองทุกข์ขึ้นในใจ บางครั้งเราไปจับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เกิดกองทุกข์ขึ้นในใจเรามีจิตคิดที่อยากได้ของผู้อื่นเรามีจิตคิดที่อยากเอาของผู้อื่นเนี่ยมันก็เกิดสภาวะทุกข์ขึ้นในใจอย่างแน่นอนขาของเราทั้งสองข้างก็เช่นเดียวกันเราให้อะไรกับมันได้บ้างสุดท้ายมันก็ไม่มีเดี่ยวไม่มีแรงอยู่ดี ขาเขาจะหมดเลี่ยวหมดแดงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวขาในขณะนี้เนี่ยเริ่มจะมีความปวดเริ่มจะมีความเมื่อยขาแทบจะพับไม่ได้ขาแทบจะงอไม่ได้แล้วเพราะน้นมันไขข้อกระดูกมันแห้งน้มันหัวเข่ามันแห้งไขข้อกระดูกมันเสื่อม สุดท้ายข้อขาข้อเท้าเนี่ยมันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงอยู่ดีเราพยายามดิ้นรนมาทั้งชีวิตเดินไปเดินมาเนี่ยโดยที่ใช้ขาทั้งสองข้างเท้าทั้งสองข้างเนี่ยไปในที่ต่างๆไปทุกทุกที่ทุกทุกนทุกๆแห่งด้วยเท้าทั้งสองข้างเราให้อะไรกับมันบ้าง ก็เปลี่ยนแต่รองเท้าคู่นั้นรองเท้าคู่นี้ใส่แล้วคิดว่าเท้าคงจะรู้สึกดีใส่แล้วคิดว่าเท้าคงจะพอใจแต่มันก็เป็นความคิดความปรุงแต่งที่เราคิดเองเรานึกเองปรุงแต่งขึ้นมาเองสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรได้สภาวะกองทุกข์อีกหนึ่งกองที่มันเกิดขึ้นภายในกายของเรานั่นเอง สภาวะกองทุกแต่ละกองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้ดีๆคิดให้ดีๆว่าร่างกายสังขารเหล่านี้เนี่ยคือกองทุกกองใหญ่เลยกองสูงกว่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาด้วยซ้าไปมันก็เลยทำให้สภาวะกายสภาวะใจเรา ได้รับในสภาวะทุกข์อยู่ตลอดเวลา<ม>ผู้ประพฤปฏิบัติธรรมทั้งหลาย<ม>เรากําลังสร้างความเพียรให้กับตัวเองเรากําลังสร้างความตั้งมั่นให้กับตัวเอง<ม>เรากําลังสร้างความศรัทธาให้กับตัวเราเอง<ม>แล้วเราก็ต้องใช้ตัวปัญญา<ม>ตัวสติ เป็นตัวระลึกได้ตัวปัญญาเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนี้ทําให้เรามีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนทําให้เราระลึกได้ทําให้เรารู้ได้ในกายนี้ในสังขาร น, นี้ของเราคือสังขารที่จมอยู่ในกองทุกข์คือใจที่จมอยู่ในกองทุกข์เรา จะคิดเราจะพิจารณาเราจะหาหนทางเราจะหาวิธียังไงเพื่อชุดใจเราให้พ้นจากกองทุกนี้ให้ได้เพื่อล้างกายของเรานี้ให้พ้นจากกองทุกข์ให้ได้เอาละเช้านี้ก็ขอฝากไว้เพื่อได้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติต่อไป ก็ค่อยๆลืมตาออกจากสมาธิเพื่อที่จะได้กวดน้ำพร้อมพระภิษุส่งอีกครั้งหนึ่งนีมนครับ